เกียอีอ๋ถ้ามิได้เตียงนี้สลากชีวิตไปช่วยตวนออกมาแล้วละก็คงจะรอดอยากครั้งนี้เกียงอุ้ยก็กระทาเหมือนมหาอุปราช อ, องค์หลวงคงไม่ทู้ร่ลับไม่เคยกระทามาแล้วคือเกียงอุย ก, ก็ปรึกษาโทษตัวเองเลยว่าเรายกทัพไปทําการครั้งนี้เสียชีวิตพรายพล อาวุธมากมายโทษอันนี้ใหญ่หลวงนะเราจะทำโทษตัวเหมอนอย่างมหาอุปราชเสียตมบุญเกติเป็นเกสุมาอี้ในครั้งนั้นกินแกตขวรว่าแล้วเกียอวี ก, ก็แต่งเรื่องราวปรับโทษตนเองถอดเสกจากที่ยศภาสัตว์แต่ว่ายังไม่วัดจัการเป็นนายส า, ารทั้งปวงอยู่คือ เกิดฐานบรนดาศาสตร์หมดแต่อามาาในการกุญกํารันยังเป็นของผมอยู่ทำานังสือถวายรุ่งราวนี้ เกี่ยวก้อยมีปราไปตั้งเป็นนายเลื่อนที่ขึ้นไปบุตเป็นงายก็ตั้งให้เป็นคุนนาทผู้ใหญ่ครั้งนั้นพระเจ้าโจมอเสวยราชสมัติมาได้เป็นเวลาสามปีตอนนี้ก็ตรงกับปีพุทธศักราชเจ9ร้อชื่อเมียแต่ก่อนนั้นชื่อว่า ใหเก่งมาครั้งนั้นก็ให้แปลงชื่อใหม่ว่าเมืองกำหล่อฝ่ายมาเกียวโดยวาระ ก, การมุม่ยโ ก, ก๊ะทั้งกั่นดินคือตอนนีิสุมาสูผู้ผิดชายก็จบสิ้นชีวิตลงไปแล้ว ได้ยวใวาชะการมีวิกคตทางแผ่นดินการทั้งตัวเนี่ยสิษษษษทธิขาดอยู่แต่ผู้เดียวถ้าเกกล่าวไปแล้วอำนาจ ท, ทั้งสิ้นทั้ ง, วงตววตอนที่อยู่กับซูมาอี ก, ก่อนนะครับก็ยังพอเป็นพอไปตามทา ง, งองคลองทำ สุมาเกียนี่เราฟังเพียงนิดเดียวการทังร้งปูนศึกขาดดีแต่ผู้เดียวมิได้ทูลพระเจ้าโจมอเลยพี่พระเจ้าโจมอไม่มีความสำคัญเลยมิได้ทูลพระเจ้าโจมอเลยจะเข้าออกในพระเจวังก็ให้ทหารสามพันหรือสากตรามุตแ ห, หน่าหลังสำหรับรักษาตัวครั้งเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสมอถึงสองแล้ว ก็มวมาวยยศภาษักใจคิดเอื่อมขึ้นไปจะเอาราชสมบัติมีคนชนิดผู้หนึ่งชื่อแก่ฉงแก่ฉงนี่เป็นลูกของแก่กุยเป็นที่ไว้วางใจของสุมาจียวเนี่ย mm. ก็ได้เข้ามาพูดแก่สุมาเจียวณนะที่อันสงักว่าท่านก็มียศ ในทิศทั้งสี่เราจะสมบัติทางนี้เห็นจะอยู่ในมือท่านถ้าจะทำการบัตินี้ก็เกรงคนทั้งปวงจะไม่สมัครพร้อมใจกันจำจะต้องเกิดทำพูดฟังดูระแคระขายฟังระแคระขายดูน้ำใจคนทั้งปวงก่อนจึงจะได้คิดการใหญ่สิ้ไปมนีคนสนิท เดินไปเมืองเวยหลังพูดจาดูน้ำใจเจ้าเมืองแต่ว่าทำเป็นว่าขาดช้ยไปให้รางวัลแต่ทหารผู้มีชื่อสิ่งทำสงครามมีความดีความชอบนั้นเพื่อฟังแยกขายดูก็จะคิดการด้วยเราหรือไม่สุมาเกียวชื่นชมทีเดียวแต่ฉมคนสนิทก็รับทาสุมาเกียว ไปยังเมืองว้ว่ยหลําอขารีบหยิบจำจะฟังแยบคายดูน้ำใจคนท่านปวงแต่ครั้งโจมิงเตโอโฉนุนก็กระทำกระทำคือตอนนั้นโจโฉกดเชิญพระเจ้าเหกเตะออกไปประพาดป่ายิงเนื้อรากตรากวาง น, นั่นแหละโจโฉก็ลองเดือดทำตอนนั้น ผลการกระทําของโจโฉตอนนั้นเกือบเกือบคอขาดหึงงาวของกวนอูวเพราะนั้นโจโฉก็รู้ว่ามันมีอำนาจจริงวิ่งใหญ่จริงแต่ก็เป็นไปทำไ น, นยังไม่มีไม่มีผู้เห็นพร้อมด้วยจนกระทั่งจะสามารถ โจหองโจสองออโจมอนี่แหละไม่มีมาบาัดนี่มีซูมาเจวนี้ก็จะลองดูก่อนแต่ว่าคนละวิธีการกันโดยจะฟังอยากคายเจ้าเหมืองข้างฝ่ายเจ้ามืองห้วยหลั่มเนี่ยก็คือจูกัดเหอียงแสจูกัดมีเชื่อสายฮุบหลงของเบ่งถ้าจะกล่าวว่าทําไมว่าแสจูกัดทําไมไม่อยู่เสฉชวนละ่ะกล่าวให้ชัดเสฉวนก็เป็น มีแค่จู่กับนันก็เป็นดินจีนวีโกคือโลกเอียงหูโตนี่ก็เป็นดินจีนเหมือนกันแหละบุคคลเหล่านี้ก็อยู่กันทั่วไปเราพูดแท้แต่ว่าใครจะอยู่กับใครอย่างไรเท่านั้นแหละจูกับเนี่ยเป็นเจ้าเมืห้วยหลําเนี่ยเป็เดิมเนี่ยก็อยูอ่เรียกว่าอยู่บ้านลกเอียงในเมืองหลงเสเป็นลูกพี่ลูกน้องกับขงเบ้ง แต่ทางราชการอยู่เมืองวิโกเมื่อตอนที่คงเบ่งเป็นหมหาป ร, ราชญ์เมืเสฉวนนั้นจู ก, กัดเยียนี่ก็หาที่มียศทาศะแต่ประการใดไหมคนทั้งปวงเด็กเกรงว่าจะไปเข้าเดือี่น้องเมื่อคเงเบ่งตายแล้วก็ได้ยศท้าศาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้วาดกล่าวมืห้วยหลังห้วยเคทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นใหญ่แก่ทานด้านปวง จูการเอียนเป็นอย่างนี้ขั้นแก่ฉงคนสนิทสุมาเกียวไปิึงแล้วก็เข้าไปหากดเชิญให้กินโตเซสุราแก่ฉงเห็นจูกัดเอียนเมาสุราติงตัวแล้วก็แกลงพูดเพื่อจะดูน้ำใจว่าพระชาราสรเนี่ติเตียนเจ้าแผ่นดินว่าเป็นคนโง่ ความแ น, นี่อาจควรเป็นเจ้าของเชื้อเวงูมาจโิโอเด็กเป็นหมาอุปราชทนุบำรุงแผ่นดินมาถึงสามกระสับแล้วและสูมาจิโอก็รักรักสสนก็ททำให้อยู่เย็นเป็นสุขสนุกสบายหาอันตรายใดๆไม่ไ ด, ไ ด, ด, ได้เป็นความชอบนะควรที่จะ เป็นแผนที่เจ้าบุญวีโก้เจ้าบัจจาวาชนีิขันเทียนประการได้มีแก่ฉงรวงดุผุดยาไปอย่นี้จู่กัดเหทียนดูอย่างนี้ก็กลัวทีเดียวว่าเจ้าเนี่ยเป็นลูกแก่กุ๋ยเด้กกินอยวว่าหวัดผปีเมืองวีโกมาควรที่จะมีน้ำใจชูวสัตว์ต่อแผ่นดินแต่เจ้ามาเจรจายาบทหาหาคนไม่เลย กัดเอียว่าเอาดังนี้แกโฉนี่นั่นก็ตกใจนี่รู้แยกใายแล้วพก็ว่ากล่าวนอกม้อมว่าข้าพเจ้าได้ยินคนอืน่นเขาว่าเนี่ยความจริงเนี่ยข้าพเจ้าก็ขัดใจอยู่ก็จึงเก็บมาเล่าให้ท่านฟังด้วยเท่านั้นแกโฉแก่แกเกิดออกไปอย่างนี้กูกัดเอียงก็คว่าถ้าอันตรายมาถึงเจ้าแผ่นดิน เราึงเป็นผูระการก็ควรจะอาสาสนองพระเดชพระคุณเจ้าแผ่นดินจนสิ้นชีวิตดินจะควรแต่ชุเด็จฟังเริ่งคนนิ่งนิ่งไปเลยทีเดียวพูดไม่ออกแล้วพูดไม่ได้แล้วก็นอนอยู่กับจู้กัะเย็นคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าก็หลาบ สุมาเกียวฟันละก็เล่าถึงเมื่อความติดตนแบเจราจากับจูกัดเอียนประการได้อย่างไรก็ว่าดฟันทุ้ประการน่ะจูกัดเอียนนี่ไม่เห็นด้วยเลยอ่ะสุมาเกียวไม่ยนินก็โกรธนักทีเดียวก็จริงว่าควรนะจูกัดเอียนบางอาจมาเจรจาอย่างนี้แกชงก็จวัดจูกัดเอียนคนนี้ก็เป็นคุณนางผู้ใหญ่โอบอ้อมเอาใจทหารทั้งปวง และอทหารก็รักใคร่เช่นนี้ทิงไว้มานไปเห็นจะมีภัยมาถึงเราเป็นมั่นคงเยียช้าเลยท่นจงเร่งคิดล้างจู ก, กัดเอียนให้จงได้เถอะสุมาจิวก็เห็นชอบด้วยทีเดียวจึงให้มีหนุน ร, รับไปถึงนัดลนินเจ้ามืองเองนจิวและก็จึงให้มีตรารับสั่งไปถอด เปลนกจากที่จ้ามืองัวหลังเจ้าตัวขามาตั้งเป็นุณหนาผู้ใหญ่ทประช ก, การในเมือมหลวง เน่มาซักถามเนื้ความผู้ถือตราก็ให้การว่าอันความทั้งสิ้นนี้ข้าพเจ้าหารู้ไหมนักลิ้นนักลินเจ้ามือเองจิ๋วมันอะไรเห็นจะรู้ถูกระยนก็ถามว่าเขาจะรู้ด้เหตุอันใดละ่ะผู้ถือตราเนี่ยก็บอกว่านัากลินจะรู้ด้วยสุมาจิว๋ว ใหนหนังสือรับไปถึงงัดลิ้มเนี่ยฉบับหนึ่งจูกระดเอียนพอทราบความดังนี้ค่อยเอาตัวผู้ถือหนังสือเนี่ยไปฆ่าไปเลยทีเดียวแล้วก็ยกฐานพันมือไปตีเมืองเอ็งกิ๋วครันไปถึงประตูขันติดตายประตูเมืีปิดอยู่จูกระดเอียนเข้าไปถึงเชิงนำแพงก็ร้องให้เปิดประตูรับก็ไม่มีผู้ใดเปิด การเอียนก็โกรแนะก็ร้องดา่าดี่ว่าไอ้นักหนิมคนเนี้เป็นคนฉวเขาวมังอาจมาคิดร้ายแก่กูหว่าแล้วออกคำสั่งให้ฐานของตัวนั่นเข้าไปเลยทีเดียวทหารดีมีฝีมือประมาณสิบคนโจนจากหลังมาข้ามคูปีนกำแพงขึ้นไปได้ไล่ฆ่าวันฐานวนเชิงเพิมหนีไปสิ้นแล้วก็ลงมาเปิดประตูเมืองออกรั จู ก, กะดเอียนก็พาฐานเข้าไปดูเมือให้ฐานจุดไฟเผาขึ้นเป็นอันมากทีเดียวแล้วก็ยกฐานปีเข้าไปจนถึงตึกของนักหลินน้าดูมันตกใจ ย, ยิ่งนะหนีขึ้นไปอยู่ในห้องชั้นบนจู ก, กะดเอียนก็ถือกระบี่พาฐานไล่ติดตามโ้นควาหาตัวจนพบเขา่าก็จึงร้องสวัสดีแบบบิดาของท่านแ บ, บกกนก็เป็นฆ่าแผ่นดินเมืองวี ก, ก และตัวท่านก็เป็นเครจัดการแผ่นดินวีโกสกมาเพราะคุณหนึ่งวีโกสหนึ่นหมักนะชอบจะกระตันอยู่รู้จักคุณข้าวแดงควรหรือมาคิดเขาบอกเข้าด้วยไอซูมาเกียวนักหลิมไม่ทันจะตอบหรอกจู ก, กัดเหยียงดาสิ้นคำก็ฟันกระบี่ฉับเข้าถูกเข้านาที่สำคัญนักหลิมก็ถึงแก่ความตาย กะเอียนั้นก็จะมีนสกล่าวโทษสมาจยวขึ้นไปทูลแด่พระเจ้าโจมอนะเมืงกเอียงแล้วค่อยเกานมืงหวยล้ำเมเคไม่เสร็องเสร็จนเมืองเองอีกเเเ็แล้วจึงสั่งให้เตรียมม้าและกุ้นสารวุธสดงอาหารไว้พร้อมแล้วก็ให้งอกง ค, คนที่ใหญ่เป็นที่ปรึกษา แล้วก็พาตัวจูกะดเก่งผู้เป็นมุดของตนไปยังเมืองกางตังเอาตัวไปมอบไว้เป็นตัวจำนำเพื่อหวังจะขอกองทัพเมืองกางตังไปช่วยกำจัดสุมาเกียวซึ่งเป็นสัตว์เกลอแผงดินครั้งนั้นนซุนจุนฝึกเป็นหมาอุปราชเมืองกังสังก็ตายแล้ว สุนิมผู้น้องของสุนจุนได้ว่าดที่อุปราชแทนพี่ชายก็ฆ่าตงอินขุนนางผู้ใหญ่กับพวกทหารชื่อว่าลิจีออองตุนตายก็จินด้เป็นใหญ่ยศสั์สูงกว่าขุนนางทั้งปลงนี่อันนี้ก็เห็นเหมือนการราเืิงการสางก็มีการชุนชิงอำนากกันอยู่ สุนิลไม่เป็นใหญ่อแต่ว่าก็สาปเองการตางังคือพระเจ้าสุนิลนะ่ะฝ่ายพระเจ้าสุนิลนั้นก็มีสติปัญญาอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะว่ากล่าวประการใดเรื่องราะการแผ่นดินเนี่ยผิดขาดโยกแกสุนิลผู้เดียวฝ่ายงอโงคนของจูกัดเอ็นเมื่อไปถึงเงินเจาะเท้าเสีย ก็เข้าไปหาสุรินทร์เพราะสุรินทร์มีอำนาจเนี่สุรินทร์ก็ถามว่าที่ทันมานเหตุอันบัตงหงอคก็จริงวะจู ก, กัดเสียงซึ่งเป็นพี่น้องของผมเบงทำราชการอยู่กับมืองวีโ ก, กเห็นว่าพวกซุมาจิวเนี่ยยกเจ้าแผ่นดินออกเสียแตงเจ้าแผ่นดินเองคือแต่สุมาสูกระทำเนี่ยและบับนี้ สุมาจิลเนี่ยจะคิดอ่านเอาราชสมบัติเสเองจู ก, กัรเอียนจะคิดอ่านกำจัดฝักรูแันดินแต่ก็เห็นว่ากำลังฐานของตัวน น, น้อยนะ จ, นจึงให้ข้าราชกามาหาท่านเพื่อจะข อ, อกองทัพไปช่วยแต่ก็เกรงว่าท่านจะไม่เชื่อ จ, จึงให้ข้าราชกาเอาจูกัดเจงผู้บุตรของจูกัดเหอียนมาหม้อใส่ตนไว้เป็นคนจำําก่อน ขอให้ทนยกาหารไปช่วยด้วยซุนหลินไล้ฟังดังนี้ก็เห็นด้วยก็จึงให้ทหารที่ว่าจวนเต็กจวนสองสองคนเป็นแม่ทัพหลวงอ่าอินเจียงเป็นทัพหนุให้จูอี้ตองอูสองคนเป็นกองหน้าแล้วให้บุญขินบุญขิมเป็นผู้นำทางทหารทั้งสามกองนั้นรวมคน เก็บเงินให้ยกไปช่วยจูกัดเอียนงอโขมเรียกว่ามาเมารจรจาความให้กับจูกัดเอียนสำเร็จคือสามารถนำกองทัพการตังไปได้เนี่ยก็ลาซุนลินมามือง้วยหลังแล้วก็ไปแจ้งกับจูกัดเอียนว่าแบบนี้ได้กองทัพเมืองการตังมาแลว้วจูกัดเยียนก็มีความยินดีนะคอยจัดแจงกองทัพ พร้อมแล้วก็วจะยกเข้าสู่โลกเอียนเ็น อ, อว่ามีโกะจะเกิดสุดปลาเมียงขึ้นว่าอย่างนั้นเถอจู ก, กัะเอียงชัดสุดเข้าบานละน้ำทับการตังเข้ามาแล้วทีนี้ข่างไฟกมาเดียวใน็แจ่หนังสือที่จู ก, กระเอียง แห่งนี้คือมาทุนแต่พระเจ้าโจโมอเนี่ยกล่าวโทษตนเนี่ยแต่มันก็เป็นความจริงหแหละสุมาเกียวนั่นก็มีความกลัวยิ่งนะที่อ่านจะยกองทัพไปตีจู่กัดเหยียนด้วยตัวเองเลยทีเดียวแก่โฉงคนสนิทก็จริงว่าอันเชื่อ ว, วงสุมาของท่านปปาเป็นอุปถัมภ์แผ่นดินมาแต่พี่ชายท่านบิดาท่าน ส่วนต่อมาจนถึงตัวท่านเนี่ยคุณเนี่ยหนักหนาอยู่แล้วยังไม่ทั่วไปในทิศทั้งสี่อีกเล่ายังมีคนมาคิดขบถต่อท่านอย่างนี้ท่านเดี่ยวไปปราประูเองนั้นข้าพเจ้าหาเห็นได้ไหมเครว่าศัตรูจะจะทํำวุ่นวายขึ้นในรัชฐานและภายหลังจะกลับมาปราบปราประตรูภายใหม่มันเองจะขัดสนุน นันเชินานวยไทยเฮากับพระเจ้าโจมองออกไปปราบปรามศัตรูนะเห็นจะสงบโดยง่ายนี่แกฉงหวานแผนเด่สสำคัญทีเดียวสุวามาตีเล็กฝันก็ได้คิดขึ้นมาทีเดียวก็ยิๆๆนดะียินักอุบายนี่แผนการนี้วิธีการนี้เยี่ยมทีเดียวก็จิงว่ามมยแกฉง ที่ท่านว่าเช่นนี้ยต้องความคิดของกับกับของขบเจเป็นยิ่งแล้วว่าแล้วสูมาเตียวข้อเข็มไปทูลนางกวยไทยฮาว่าจู ก, กัดเอียนคิดขบดขาเจ้ากับขุนนางทั้งปวงปรึกษาพร้อมกันแล้วจะขอเชิญพระองค์กับพระเจ้าโจมอเนี่ยออกไปด้วยจะได้ปราแต่ดูให้ราข้าพผลรส า, าเป็นดินไว้อย่าให้เป็นอันตรายได้ เหมือนคำพระเจ้าโจโยย์ซึ่งสั่งไว้มันนางกวยไทยเฮาเนี่ยความจริงนรู้การทั้งสิ้นทั้งปวงรู้สุมาเจียวเป็นอย่างไรประการใดเพืาอนางกวยไทยเฮาก็รู้แต่ก็กลัวอังมากขะมิดได้ไม่กลา้า ก็กไปทูพระเจ้าจัวมอว่าขอเชิญพระเดชพระองค์ไปทับพระเจ้าโจัมอก็จึงว่าท่ามหาอุปราชได้หวัดจัดการทั้งแผ่นดินศิษฐาดอยู่แก่ท่านแล้วจะบังคับบัญชาผู้ใดก็ไม่ได้มีใครขัดขวางตามแต่ท่านจะไปเถิดซึ่งแค่ขบเจ้าไปนั้ น, นันเหตุใด สุ ม, มาเกี่ยวพิสูจน์ว่าถ้าพราะองค์ไม่ไปก็เห็นว่าหาควรไม่ครั้งพระเจ้าจโจโฉไปเพื่อปราบปรามศัตรูจนถึงทองประมาสสน์ฝ่ายพระเจ้าโจผีและพระเจ้าโจย่อยก็คิดจะแคร่แผ่นดินนี้ราบคาบถ้าราชศัตรูมันเกิดที่ไหนก็อุตส่าห์ไปปราบทุกทิศชนิดก็ขอให้พระองค์ ไ้วางสัตรูปราปรามตามอย่างเชื้อวงของพระองค์ฝึกมาเถอะถึงพระองค์จะมาเกรงกลัวแต่สัตรูนหาควรไหมนี่สุมาเดวกล้าพูดเป็นใจความอย่างนี้มันก็แน่นอนละ ว, ว่าพระเจ้าโจมอนะจะหาที่ขัด ข, ขวางประการใดอย่างไรก็ไม่ได้ก็จึงรับ จ, จับไปก็จะมีการับฟังให้เกรงกองทัพในเมืองหลวง ทั้งสองเมืองมีทั้งหูโตทั้งโลกเอียงนี่ก็ได้ทั้งสิ้นยี่สิบหมีนตัางองคีเป็นทับมาต่างเขียงเป็นประหลัดทับมาโจเปาเป็นปิดขวากิ้วไถจากเมืองกุนจิวเป็นปิดซ้ายแล้วพระเจ้าโจมอก็ทรงราชรถยกทับไปทางเมืองเวหลังออกกไปถึงทับเมืองต่าง เป็นกองทัพมามาช่วยจูกระเทียนจูกระเหทียนเกณมทัพมาแล้วเนี่ยเมื่อไปขอกำมังเมืองกลางต่างด้าดิทรงทัำเมืองกลางต่างเป็นกองทัพมามาเลยจูอี้ซึ่งเป็นทัพมาเมืองกลางต่างก็ยกฐานออกต่อสู้ฝ่ายองกีก็เกี่ยวมาคุมฐานออกรบจูอี้กับองกีสู้รบกันวิพันธ์กัเลยสามเพลงแบบก็มี อ, องกีก็พาถามกรุกร่กรายทีเดียวจู่อีแพ้จะแล้วเมืองการต่างตัวไมยแพ้จะแล้วทัพ อ, องกีก็ไลยกระนำํำทับเมืองการสังเสียตีก็ลาทับหนีไปทางประมาณ500ร้เซนก็ไปั้งนข่ายมั่นคงอยู่ก็จึงอ๋ อ, องกีกที่ชนะล่ะก็จึงให้มาชายจึงไปแจ้งขอเกีาการแก้จู่กะเหยีย สิ่ยกมาตั้งอยู่หนักมือเฉิยวฉุจู ก, กัดเอี้ยนก็ยกฐานมากับจู ก, กัดเอียนนะจู ก, กเหียนเออคือผมกราบขอพายนะครับฝ่ายแพ้คือการสังฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้นะการตงที่มาช่วยจู ก, กัดเหียนเนี่ยเมื่อแพ้เนี่ยก็มีข้อในการแก้เมจูมจ ก, กัดเอียนจู ก, กัเอียนก็ยกหามา มกับบุญขิมบุญเอง๋งบุญเฮาบุตรของบุญขิมสองคนม่ตอนนี้มีได้กล่าวถึงบุญเป๊กว้ยสิบแปดุตของบุญขิมแต่มากล่าวถึงบุญเอ๋งกับบุญเป๊กอา้ากับบุญเฮาเท่านั้นแหละพิน่ายสุมารัว้วทับตูกับเอียนยกมาบรรจบกับภาพกลางต่างแล้วก็ะจะมีหาคุณนางผู้ใหญ่สองคน จั่วโวยสิงคนหนึ่งและจนวยอีกคนหนึ่งมีขามาปรึกษารื่อการสงครามจนวยก็จึ่ว่ากองทัพเงินต่างๆยกมาช่วยเขาครั้งนี้นะเพาโลกเห็นแก่ร่าเราก็เอาสิ่งของไปล่อลวงเข้ามาเท่านั้นแหละคนอย่างนี้ก็เห็นแก่ได้ ในส่สุดก็จะต้องปราชาไข่แก่หยาแก่เราหนีเจ้าหวยเริ่มต้นด้วยความคิดทีเดียวรบโดยไม่ต้องใช้อาวุธรบโดยไม่ต้องใช้ทหาร อ, อ่านในทุลุูมิปวงถึงกองทัพฝ่ายมันเป็นอย่างไรประการใดก็จริงแหะกองทัพกางต่างนมาก็ดุยราบักดิ์กานทั้งปวงนี่แหละตามที่จูกระเยน็นว่าจําแบ่งให้จะยกให้เนี่ย คุณมาเกี่ยวฟังโจงหยที่แกงดินีโกเห็นชอบด้วยก็สั่งให้โจปเปาจีวไท้คุณหนมาไนปสองกองไปซุ่มอยู่ต้นทางเมืองจกเทาเสียให้อองกีฟังเขียนคุณหนมานไปซุ่มอยู่ปลายทางนั้นแล้วให้เซงจุยฐานรองไปร่อลวงให้ขาดกออกมารบแล้วก็สั่งว่าถ้าเขาออกมาตีแล้ว ให้เจ้าทเป็นนีหนีไปทางเมืองโจ๊ะเทาเสียเึ่นได้วางกองสุดไว้แล้วให้ตังตุ้นคุ้งผงมาและโคเวียนบันลุบทุกสิ่งของไปปลงอยู่ในที่ทางนั้นแล้วก็สั่งว่าถ้าขาดศึกมาค่อยทิ้งเอเกียนทิ้งขวเบียงฝูงโคฝูง ม, มาเหล่านี้เพียหนี เป็นวิธีการของสุมาเกียวละฝ่ายจูกัดเหยียอนั้นฝ่อยจูอี้นายทหานการสานเป็นปีขวาบุญขิมเป็นปีซ้ายโยกไปเห็นกองทัพวีโ ก, กมีได้กลากรียมมารทหารเวนเงอร์ยุฝ่อยฐานเข้าปีสุนจุนก็พาฐานหนีไป แล้โคเกลี่มาทุกสิ่งของตอนจุนถึงคุมส the ิ่งของมานั่นน่ะเห็นจูกเหยินยกมานี่ก็ตามคําสั่งของผู้เป็นนายของตนแล้วให้มากระทำตัวนี้คือทิ้งพิงสิ่งของทั้งพวงใช่พาถังหนีไปทหารของจูกระยินเห็นข้าวของตกเรียร้ายบางคนต่างก็เข้าเก็บสิ่งของจับโคจับม้า อาด้ยก็เป็นของตนล่ะกดฝาระววนวุ่นกันอยู่เะนั้นสหาได้ระมัดระวังตัวไหมก็ดีเสียงถลุและประทัดจุดขึ้นดังสนั่นที่เดียวแล้ไปเห็นโจ๊กเป่ากับยิงไทยคุณผันสองกองตีหนูกรุกออกมาจู ก, กัดเหยียดเห็นทีนี้ก็โปกใจกลัวสังถอยทันที มาอมอีกข้างนึงและซูมาเดียวเองก็ยกฐันหมุนเข้ามาจู่ ก, กัดเองเห็นเหลือกำลังที่จะสู้รบต้านพานก็ถอยหนีไปทางมืองชิวฉุนแล้วไขฐานครุษานาที่เชิเงเถืนเข้าไว้ซูมาเดียวก็นำกำลังทั้งสิ่งทั้งปวงเข้าร้องไว้ทั้งสี่ทิศ กองทัพเมืองการต่างนั้นก็ถอยไปตั้งอยู่ณตำบลตันชองเพระเจ้าโจมอซึ่งต้องสเสด็จมากองทัพเขาด้วยเนี่ยก็ไปตั้งทัพยับยั้งอยู่ณเมืองหางเสียเจ้งโวยที่ศึกษาคนสมัครตอนนี้ทำไมมี่กล่าวถึงเป็งไง เป็นนายเป็นมายฐานใหญ่ป้องการรักษาอยู่เขตแดนฝ่ายเหนือที่ประชิดติดกันกับเสฉวนมูลเป็นนายก็จินมิดออกมาทำการนี้ในครั้งนี้ดิโจงโวยตจงโวยเยกลก็ขอให้ล้อมแต่เพียงสามิก3ด้านเปิดปล่อยทางข้าทิศใต้ไว้ถ้าคาดตดนี้จะมิงแล้วเราก็จะถานรา้ิดตาม ลบรูบบุกมันไปจุงได้ก็เห็นจะได้ชายชนะฝ่ายเดียวอังกองทัพเมืองกางต่างนั้ น, นมาแต่ไกลจะได้กับเบียงอาหารมามากน้อยสัเท่าใดถึงว่าจะส่งตามตามมาอีกก็เห็นว่าจะไม่ทำได้ข อ, อยกกองทัพไปสกัดอยู่ข้างหลังยังมีทันจะเข้าตีหรอกทัพมีกางต่างก็จะต้องสนุ้งตกใจหนีไปเองจงโวตกล่าวแนะนำวิธีการอุบายให้เช่นนี้ สุมาจี๋เด็กควันดังนั้นก็นถึงกับยื่นมือไปรูปหลังจงโวยเลยทีเดียวแล้วก็สังเมว่าท่ามีความคิดมากนะเมืปัญญาความคิดเปียวเหลียงแต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้าฮั่นโกโจมียมย่องชมเชยจงโวยมืนเปียวเหลียงเลยแล้วสุมาจี๋ก็อังกี้ เลิกทหารที่ล้อมเมืองอยู่ทางทางนพิใต้ให้เลิกให้ถอนทหารจัดหน่วยมันออกมาเยปล่อยให้เมืองว่างอยู่ทางบ้านทางนพิษใต้เปิดเป็นช่องทางไว้อย่างนั้นเพื่อถ้าขึดนหนีก็จะได้หนีออกไปตามทางดังกล่า น, า น, นี้ หลิต้องเรียกว่าอุปราบมนการตั้งให้เรียกหาตัวตุเขับมาเข้ามาขาดพวกวาแต่ใช่ไปเฝ้าเมืองชิ้ฉุนเท่านี้สิมิดได้การนีหรือจะคิดผ่านเอาเงินวีโกกได้ถ้าทำการครั้งนี้มิชนะแก้าดศึกเราจะให้ขาเสีย มีสุหลินนุปราดมนุนกันตังออกคำสั่งแก่แม่ทับหน้าของตนเช่นนี้จูอี่ก็อำมาปรากลับไปข่ายศึกษาแก่ในทัพในกองทั้งปวงอีเคื่องแม่ทัพหนุนผู้หนึน่งก็จึงว่าทิศใต้นะ่ะ่าสึดหาได้ร้รอมด้ใหม่ข้าพเจ้าจะขอกองทับ ยกไปช่วยจู่กัดเอียนรักษาเมืองขวัญขณะนี้จูอี้น่อยู่นอกเมืงมเองเวฉุนนะครับดีจวนมีอาส า, าเทนิส่วนท่านก็จงยกทหารเข้าตีกองทัพวยโ ก, กขปเจ้าก็จะยกเข้าไปยนเมืองแล้วก็นำฐานปีกระนาบออกมาเห็นว่ากองทัพวยโ ก, กจะแตกเป็นมั่นคง อเห็นชอบด้วยก็จึงให้อีจ อ, อจวนเต็กจวนตวนบุญกินนายฐานสี่คนนี้คุ้ฐานหมืยกเข้าไปทางประตูทิ่ใต้ทีนี้ฝ่ายฐานเมืองวีก ค, คือสุมาียว ะ, ะไม่มีคำสั่ง ให้ตีส ก, กัดไว้หนิก็ปล่อยกองทัพเมืองกลางต่างให้เข้าไปในเมืองฉิวฉุนได้กอามีความเนไปแจ้งแกสุ ม, มาเกียวว่าบัดนี้กองทัพเมืองการต่างเข้าไปในเมืองฉิวฉุนแล้วสุ ม, มาเกียวรู้ก็จึงว่ากองทัพเมืองการต่างแบ่งกำลังกันเข้าไปช่วยรักษามเมืองฉิวฉุนวนิธีนี้จูอีนั้นก็จะยกเข้าปีเรา สมคเ น, นที่เราคิดไว้ก็จะให้เร็กขาองกีตันเกียอนอนายฐานสองคนมาสั่งว่าท่านจงยกฐานไปซุ่มที่ทางกองทัพจูอี้จะยกมาถ้าเขานําทัพค้อยปเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วให้ท่านโวร้องไล่ข้าวันตามหลังเข้ามาองกีตานเกียนก็พาฐานไปซุ่มอยู่ตามคําสั่งครั้นกองทัพจูอี้ ยกทหารมาเคลื่อนคร้อยเรยเข้ามาได้หน่อยนึงองคจีสันเกีกยก็ยกฐานออกไล่ตีหลังเข้ามาทีเดียวกองทัพเมืองกลางต่างก็แตกปตือกจุอี้นั้นก็แตกไปหาซุนซุนหมิงอุปราชเมืกลางต่งนี่ก็โกรธนะทีเดวว่าเองเป็นคนแตกทับมาชคนี้จะเอาไว้นีมได้ ก็สายฐานเอาตัวไปฆ่าเสียดีแล้วก็ให้หาจวนฮวีผู้เป็นบุตรของจวนตวนเข้ามาสั่งวะท่านตน้องเร่งยกองทัพไปตีทัพวิกกให้ถอยไป้จงได้้าี้ได้ท่านพ่อทั้งลูกอยากกลับมาหาเราโอ้โหสุนิลนี่ อ, อ่าชาอำมมากเป็นที่สุดอย่างนี้นี่ เอาระสุลินฝังการแล้วี่ตนเองก็ไปยังตำบลเงีย บ, บไปยังตำบลเขียนเงียบฝ่ายโจงหยโจงหยก็จึงว่าแกสมาเทียวกองทัพถึงยกมาช่วยจูกัดเอียนน่ะก็แตกไปแล้วเรายกทหารเข้าร้อมให้รอบทั้งสี่ด้านเถอะ สุมาเกะเวินชอบด้วยค่อยระดมทหารทั้งสี่ด้างฝ่ายจวนฮุยจวนหวุยทานเมืองการตังในบังคับของสุลินที่ยกทัพมาเนี่ยจวนฮุยจวนเปือ น, อ น, นอสองพอลูกเนี่ยฝ่ายจวนวุยยกกองทัพมาเห็นฐานเมืองฮุยกมมกมากนะจะหักเข้าไปก็มีได้จะถอยหลังกลับหรือก็กลัวสุลิน เพราเขาสั่งไว้แล้วนี่ใไอทีกองกทับุ้ก็ให้ถอยไปให้จนได้ทำนี้ได้ทั้งพ่อทั้งลูกอยากกลับมาหาเราเนี่ยนี่สิมันสําคัญตรงนี้ก็ต้องทําให้ต้องคิดละ่ะแสตมปนสองพ่อลูกต้องคิดนี่จะตีค่ายชูมาอีเนี่ยกลับเขบ้าไปจะตีค่ายชูมาเกียวเนี่ยมีคามสามารถทําได้ไม่เมื่อทาไม่ได้ แต่ถอยกลับก็ตายนายก็เลยตัดสินใจไปสมัครเข้าอยู่ด้วยกับซูมาเดียวเลยเลยนี่จำเล่าตัวเล่าดูวีดีนี้อจวนฮุยเข้ไปสมัครอยู่กับซูมาเดียวซูมาเดียวก็ตัง้งจวนฮุยเป็นฐานรองจวนฮุยก็มีความยินดีนะก็คิดจะตั้งูต่อซูมาเดียว啊 ไว้ชีวิตไม่ขา่าไม่ฟันรับตัวไว้แต่งตั้งให้เป็นทหารรองอย่างนี้ก็ <c oughs> เขียนหนังสือเป็นใจความว่าให้จวนตัวน์จวนตวนผู้เป็นดิดาจวนเต็กผู้เป็นอามาสมัครอยู่ในสุมาเกลืเอเถิดสุลิมอุปราชเมือกันต่างนั้นเป็นคนหยาบช้า มีความเมตตากรุณาไหมอันนี้ก็เป็นความจริงจุอยผ่ายแพย้กลับไปก็สั่งฆ่านีการออกคำสั่งใช้ให้ออกมารบก็มีคำขาดคั้งวา่าถ้าถอยกลับมาจะต้องตายอย่างเนี้ยจะเรียกว่าเหลือความเมตตากรุณาประการใดอย่างไรละ่ะไม่มีอะซุนหินมันเป็นคนหยากหาหมีความเมตตากรุณาไหม ขบเจ้าก็ได้มาเข้ากับซูมาเจียวแล้วมีมืเมอเขียนนงสืเสร็จเสร็จเสร็จแล้วกนมือถือภูเขาฐานยิงเข้าไปในเมืองจวนเต็กได้รับหนังสืนั้นเอาหนัสืนันไปหาจวนตัวแล้วจวนเต็กจวนตวนก็พาพัพวกของตัวแหละเปิดประตูเมือง นําหานไปเข้าด้วยกับสุมาเกียวเสเลยฝ่ายจูกัดเหยียนจูกัดเหยียบนีผู้ไม่ยอมเห็นด้วยกับการที่สุมาเกียวจะชื่อว่าเฉลมบัติเนี่ยก็จึงถูกสุมาเกียวกำลังปราบป ร, ปรามอยู่เนี่ยจูกัดเหยียนก็สู้รบโดยชัดสุดกางตังเข้ามาด้วยเนี่ย สถานการณ์ในขณะ น, นี้จู้กัดเย็นต้องเป็นทุกหนักทีเดียวก็คิดอ่านอุบายที่จะแก้ไขเอาตัวรอดละนี่บุญ เ, เป็นไม้สิกจะไปคับไม้สงูงเขาไม่ไหวก็แล้วเออเกี่ยวปั้นเกี่ยวอีที่ปรึกษาก็ถึงว่าแกจู้กัดเย็นเชื่อสายหลวงของเบงก็ต้องหปดูน้องกันนะแต่ว่ามาเป็นข้าอยู่ในวีโกน๊นะ แล้วในเมื่อไม่เห็นด้วยกับสุมาเกียวผู้ยิงใหญ่แห่งวิกก็แค่เนี้ยก็เป็นผูเป็นภัยกับตนเองหากกระเอาอเจ้าป้าเจ้าอี้ก็จริงว่าเสบียงอาหารไม่มีนี้ก็เบาบางลงแล้วทาหารก็มีมากที่จะกินให้นานไปนะก็เห็นว่าหาพอไม่และจะปล่อยเขาร้องด้วยนานนะักก็เห็นจะไม่ได้ข้าพเจ้าคิดว่า แค่ยกทหารเรากับทันมือกางต่างเนี่ยปียบออกไปให้จงได้หากไปไมิได้ก็รบพวกไอ้จงสามารถกว่าจะตายลงได้กันเกี่ยบวบันเกี่ยวอีให้คำารึกษาจะในระว่าสู้ตายถ้ามนีไม่รอกับมันตายไปเลยอยูกัดเหยี่ยมนี่ก็โกรวก็จริงว่าเขาจะเ้ า, เาเหนว่าพอจะรักษาไว้ได้อยู่ ทำมาคิดอย่างนี้เห็นจะได้เราที่ว่าท้งนี้เนี่ยแรงแค่แค่แค่ข้าศึกถ้าทามาว่าอย่างนี้ซื้อไปอีกเราจะตัวไปฆ่าเสือทีเดียวนี่ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาขึ้งแล้วแต่ว่าอืมท่านผู้เป็นใหญ่อีกแหละไม่เห็นด้วยโกรธเอาถึงว่าจะพูดจะสั่งข้าเตียวป่านเตียวอีสองที่ปรึกษา เห็นไหมก็จมใจแง่มากขึ้นไปบนฟ้าหมุนทอดใจใหญ่แล้วก็พากันออกมาแล้วก็พูดกั น, กนว่าจู ก, กัดเอียนนี้จะถึงที่ตายอยู่แล้วเราเร่งคิดอ่านไปสมัครเข้าด้วยซูมาเกียวเถอะเห็นจะรอดจากความตายที่หักษาทั้งสองคิดกันอย่างนี้เลยืออยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว พลันเวลาสามยามเสร็จเกียวปั่นเกียวอีกก็ปีนกาแพงออกไปเข้าด้วยสุมาเกียวสุมาเกียวก็รับเอาตัวไว้แค่รจชการแต่นั้นป่ทหารมีฝีมือในเมืองชิวนชุนก็ไม่มีผู้ใดจะคิดอ่านออกไปสู้รบเลยขันจู ก, กันเอียนก็แลเห็นกองทัพสุมาเกียวเนี่ยพูน ด, ดินเป็นสนามเพาะขึ้นกันน้ํา ต็กลัวน้ำในแม่น้าห่อยซุ้มอ่าเดือัวน้ําจะท่วมเอานะ่ะจู๊กัเนเห็นเห็นสุมารเกียวทำนี้ก็ดีใจก็คิดทีเดียวว่าน้ําในแม่น้ําห่อยซุ้มเกิดน้ําใหญ่ท่วมทหารสุมารเกียวแล้วเราจะยกออกไปตีเห็นจะมีชัยชนะและจูกัดเห็นก็สงบนิ่งอยู่ในเมชิวชุนี่หละจนเลยดูฝ ม, มาถึง เดือนทีหน้าหนาวนี่ไม่มีฝนตกเลยน้ำในแม่นห้หอยหอยซุ้มมาก็น้อยเสบียงในเมือ ง, งก็สินเป็นที่อักที่จนอยู่ทีเดียวฝ่ายบุญถินกับบุตสองคนก็คนทหารรักษาหน้าที่อยุ่ มีด้ว่าทางฝ่ายต่างๆนะที่มาร่วมคิดร่วมใจกันกับจู่กัดเหยียนเนี่ยบุญชิงละบุญทั้งสองเนะะี่ยก็างมันรับสารนาที่เพราะเห็นทหารอดอยากเข้าเนี่ย <c oughs> ก็เข้ามาแจ้งจู้กัดเหยียนเว่าบัด น, นี้เสบียงอาหารก็สิ้นแล้วทหารขับฉุนนัขอให้ปล่อยทหารผว้หลังซึ่งเป็นชาวเมือง ออกไปเที่ยวหากินเผื่อบรรเทาแต่การแจกจ่ายทะเบียนลงบ้างเถอะจูกระเทียนในวยความนี้ก็กลักดีแหละก็คืว่วาท่นว่าท่านนี่แกจะคิดร้ายเราหรือว่าแล้วก็สั่งเอาตัวบุญคินเนี่ยไปฆ่าเปเลยเอาจูกระเทียนความจริงนี่เป็นผู้มีจิตใจดีกว่ากันอย่างนี้ ไม่เห็นด้วยกับที่ซุมอาซูมาเจียวคิดจะชิงว่าจะสมัครจากพระเจ้โจมอเนี่ยอาก็ดีอยู่แต่นี้เมื่อคิดจะกำราปลาปลามเข้าแล้วเนี่ยกำลังตัไม่เพียงพอบัด น, นี้ตัวอับปวจนอยู่ชนิดก็ เ, เอาแต่โทรสะโทรสะเขา้าวาโทรสะกลา้าจนก็ทั่งสองที่ตุก ษ, ษาเกียวปั้นเกียวอีนหนีไปแล้วแต่บัด น, นี้บุญคิมมาพูดจาเขาชนี้หน่อยอีก โกรธมากฟังเขาตัวไปฆ่าซะเลยควุเอ็งบุญเฮาบุเอ็งบุญเฮามุญเอ็งนี่เก่งกาจิงนะไต่วัยสิุงเขาเก่งกาสามารถเป็นที่สุดหรบุญเอ็งบุเฮาบุตรของบุญขินเห็นบิดาตายก็โกรธนักอดมาออกไร้ควันฐานเชิงเชินล้มปายบุกดสิคนและก็โดดลจะคกำแพงข้ามคูไปหาซูมาเกียว เราเนื้อความต้งพูงให้ฟังละวอชวุนเนี่ยัเนี่ยเป็นอย่างีู้กเียูกก เ, ยยเป็นใหญ่นีมีแต่โซบิดานตาไปแล้วเนี่ยสุมาเกียเเอควาแมแค ก, กเทีน่หนักเนี่ยอ่าและเ่อบเองมาเข้าด้วยนี้ทนี้ด้วเองเปทัสุมาสู ผู้เป็นพี่ของตนแต่ครั้งก่อนนู้นน่ะแต่เตมเป็นเหสุมาสูผู้สิงตอนนั้นผ่าดวงตาผ่าต้อเป็นต้ อ, ต, อติดตาอ่าเหสุมาสูโ ก, โกรธแค้นมุนเอ็งมากจนดวงตาประทุ้แล้วจนเป็นเหห้สุมาสูตายแต่ครั้งก่อนเนี่ยสุมาเกียวนี่ก็รู้อยู่ว่าบุญเองก็นี้เป็นผูก้กระทาให้พี่ตงตายนะแค้นอยู่ละที่จะฆ่าเธอทีเดียวแต่ เจ้าโหได้เข้ามาห้ามวัดว่าสิ่งพูดผิแต่ครั้งก่อนก็เพราะบุญขิมผู้บิดาบุญเอ็งคนนี้แต่บัดนี้บุญขิมก็ตายแล้วเดอาญาจูกัะเทือนบุญเอ็งบุญเฮาผู้บุตทั้งสองคนเนี่ถึงที่อภิจน์ละยอมมาสมัครดูได้เราชะนี้ถ้าท่านเอาตัวเขาไปฆ่าไปแล้วเนี่ยต่อไปผูดใดใครกันเรา จะสมัครมาทำราชการด้วยเราสื่อไปสุมาเจียรติกวานี้ก็ได้คิดขึ้นมาระงับแค้นอันเป็นแค้นส่วนตัวนั่นเสียเพราะมองเห็นต่อประโยชน์อันใหญ่ยิ่งกว่าก็จึงยอมเห็นด้วยกับท่อยคำห้ามปรามของจงโวยนี่มุทุเป็นยายมีอำมากแต่ยังพอมีปัญญาอยู่บ้างยอมรับยอมฟังความคิดเห็นบ้างชนนี้ ก็เป็นการดีนะ่ะก็ริดตัวบุญเอ็งบุญหาวเข้ามาผู้จ่าเล่ารวมไปส่อยคำมันไปเราะบ้านให้เป็นนายฐานรองให้มาและเสื้อผ้าเป็นรองวันเพราะคนที่สองนี่เรียวกว่าโจมกำแพงยืนหนีมาโดยินเนี้บุญเอ็งบุญหาวก็กระทำคำมอ่นปลาเข้าไปแต่แล้วก็คือว่าคำมักนปลา สุมาเดียวแล้วก็เข้าไปประชิกเมืองเมืองของโต น, น, นิป็นตัวมาแหละแล้วก็ร้องตะโตนเข้ไปในเมืองว่าเราทั้งสองคนได้สมัครเข้ามาอยู่กับพันมหมาอุปราคือเข้าม า, าอยู่กับสุมาเดียวพันมหมาอุปราชก็หาเอาโทษที่เราก็ทําผิดไว้แต่ก่อนไม่กลับให้ยศท้าสักรางวัล การทั้ง ป, นะปูนักเต็ไรไม่คิดที่จะออกมาเข้าเดโมฮัวอุปราชเา้านี่ซูมาเกียวได้ประโยชน์ทีเดียวจากบุคคลนั้นสองข่านถามในเมืองได้ยิงบุนเองบุญเรานายทหาใรหใหญ่โพสะฆ่าคนบนกำแพงตายก็เป็นสิบกว่าคนโดดไปเข้าเด็กับสุมาเกียวกลับมาร้องอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นหลักฐานจริงๆอะ่ะโไปเข้ากับสุมาเกียวแล้วไม่ตายอะ่ะ น, น้านเมืองงก็ปรึกษากันทีเดียวว่าบุริเอเนี่ยเปอริกับสุมาเียมาตกนดครั้งอนรบ ก, นกับสุมาสู็นเน่ยสุมาสูงตวตายสุมาเจียว้เป็นน้นองสุมาสูก็ย่อมจะต้องกลัวประยาบาแต่บุร บ, บุรเองฮาหนีไปเข้ากกับสุมาเจียว แต่สุมาเกียวก็ยังไม่เอาโทษก็ควรแล้วที่พวกเราทั้งตัวเนี่ยจะออกไปเข้าในสุมาเกียวเถอะด้ยถ้าเราอยู่ในเมืองชิวฉุนกับจูกระยิบต่อไปเราก็ต้องตายแต่ประการเดียวมีฐานะพวกรักษากันดั่งนี้อ่ะจูกัะยิบไม่แกล้งนั้นก็จะเอาโทษคือสั่งเจ้าโทษแต่ฐานะพวงอะแต่ว่า มันมากกว่ามากนะทหารที่เอาใจออกหากจากจูกัดเอียนนั้นมากกว่ามากนะตนเองเกิดทำอะไรมิได้เหมือนกันแล้วก็มีไว้ใจสารนั้นัวนั้นนะจูกัดเอีนก็ต้องออกตรวจตรานหน้าที่เองทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ต้องทำอาญาข่าฟันโบยตีคมขี่ทหารนักขึ้นไปกว่าเก่าเสียอีก ฐานการของจูกระดิเอญ ย, ย่าแย่ละฝ่ายเจ้าโฮยเมื่อเห็นว่าฐานทั้งตัวในเมืองฉิวฉุนนั่น น, นะบางก็เอาใจออกหากจากจูกะเหเอนสิ้นแล้วเพราะจึงว่าแกซูมาเกียวว่าท่านจงเร่งฐานเข้าไปเถิดดูบัดนี้ฐานในเมืองเฉีวฉุนนะ่ะอรุณเรยอยู่แล้ว ซูมาเกีวก็มีความยินดีนะกอเรือทหานเข้าระดมตีพร้อมกันทั้งสี่ด้านเจมสวนนายทหารที่รักษาประตูข้างทิศเหนือน่ะอาได้ท่วงทีไม่ช่ทุวงทีสู้กระสืกอกอกนะท่วงทีที่จะเปิดประตูหนีเจมสวนในทุวงทีก็เปิดประตูออกรับกองทัพ ง, งวีโกคคือกองทัพสุมาเกียวเข้าไปในเมืองเลย ฝ่ายจู่ ก, กัดเหยียนรู้ว่าทหารมิโคข้าเมืองได้แล้วกคุ่มทหารที่เป็นสมัชิกพวกรวมใจประมาณ300รหนีออกจากเมืองข้ามสะพานหกไปไปพบกับเทาหุนนายทหารซูมาเกียวเข้บเทาหุนนั้นก็ควบม้าตะลุยปราดเข้ามาจ่วงฟันดิวงเงาผูกจู ก, กัดเหยียน ตกจากหลังมาถึงแก่ควานตายแล้วฮาหูนั้นก้อยฐานนะบงร้องจับทหารของจู ก, กัดเยยนได้ทั้ง300เร้อยกว่าจู ก, กัดเยยนก็จบสิ้นชีวิตลงไปอย่างนี้เป็นผู้มีเชื้อสายของผู้มีปัญญาเป็นที่ยิ่งแข็งแผ่นดินมันแต่ตนเองจะอภประกการใดอย่างไรละ่ะ เขด้โทรศัตท์เอที่กระทําการเช่นนั้นเช่นนั้นออมียับยั้งชั่งใจได้เลยจนกระทั่งนายชูทหารก็ไม่เอาด้วยไม่อยู่ด้วยที่นี่ฝ่ายองค์จคุณนั้นตีเข้ามาทางประตูทิศตะวันออกอาทิตะวันตกพบจีอ้วนนายานีนานกลางตังก็ร้องเข้าไปว่าจีอ้วนท่านยังจะมัวรบไปถึงไหนเร่งมาสมัครด้วยเราเธอจะรอดชีวิต ว่าดีหนก็กรธก็ร้องว่าเรารับคำนายเราให้ยกทัพมาช่วยตู้ ก, กัดเอียนเรามาช่วยก็มีได้ถึงจะสมัครไปเข้าด้วยกันนั้นหาควรไหมเดี๋ยวเราเป็นคนมีความสัตว์ว่าแล้วจีนมันก็ถอดบวกทิ้งมันประทานดินแล้วก็ร้องว่าถ้าทันศึกตายไม่ท่ำกลางการรุก ก็ยังได้ชื่อมีเกียร์เปลากด้วยในแผ่นดินมียางกี้ว่ามีกอริกโตยอกทหารตั้ตายยังทหารขอดบวกพิ้งหมายความว่าสู้ตายกันละว่ารลก็รำนาวเขาสู้รกกับกองกี้พบไดประมาณสามสเพลนเห็นหรือกำลังหนักแล้วก็บอกช้ำทั้งม้าและทั้งคนในที่สุดก็ถูกอาวุธตายในที่รบ ยี่อวนพันเมืองการตันที่มาช่วยจูกัดเย็นเนี่ยก็จบชีวิตไปค น, นก็ไปอันว่ากองทัพสุมาเดียวก็เข้าเมืองได้เรียบร้อยให้เมื่อสุมาเตียวเข้าเมืองได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้จับบุตรภรยาจูกัดเย็นมาสืบสามเอาลูกหลานวานเพื่ออีกเอาฝักไฟขั้งบีดาขัามนมารดาเป็นสามโคะเอามาฆ่าเสีย แล้วเอาฐานสามร้อคนดีนจับตัวมาได้ถึงเป็นหานคุมการจู ก, กัะเดียนหนีออกจากเมืองอที่ถูกหาหุนจับตัวมาได้เนี่ยเอามาสอบถามว่าผู้ใดใครจะสมัครอยู่ด้วยเราบ้างเราจะไว้ชีวิตทหารทั้งพวงก็ตอบว่าขบ เ, เจ้าไม่สมัครอยู่แล้วจะขอตายตามจูกะเยียน นี่พอนีเปิดการใ น, น, นเหมือนการจูการเหียนก็จะมีผู้ร่วมคิดร่วมใจที่เข้มแข็งมั่นคงถึ้จูการเหียนตายไปแล้วผ่านทั้งส0 0อนิกก็ไม่ยอมนอกใจจูการเหียนยอมรับโทษประหารตายฟามเลยแต่ทหารทั้งปวงของจูการเอียนนั้นก็ไม่ได้ยอมอยู่ด้วยสักคนเดียว ซุมมาเดียวก็สั่งให้เอาตัวไปฆ่าสิ่งแต่แล้วเมื่อกระทำไปแล้วเนี่ยเกลับมาให้คิดเองดูว่าคนเหล่านี้สัตวซื่อปอมไม้จนตัวตายประเสริฐมกก็สั่งให้จัด ก, การเอาศพคนเหล่านี้ผิดฝังฆ่าแล้วทั้งสา0รอยเนี่ยไปจัด ก, การฝังตามพงเนียน ครั้งนั้นเมื่อจูกระเหียนตายแล้วทหารทั้งสามร้อยก็ถูกฆ่าไปหมดแล้วทหาร น, น้ำพว่ที่เหลืออยู่นั้นบางก็ยอมเข้าเกลียดกลอมด้วยสุมาเกียวเป็นอันมากโยดยสิ้นว่ากระซูมาเกียววาซึ่งฐานมือกลางตังมาสมัครเข้าเรียงเราสมัครพรรพวกพี่น้องอยู่ในเมืกลางตังเป็นอันมากจะไว้ใจไม่ได้ เกือบวันนานไปเนี่ยคนเหล่านี้จะกลับเป็นไส้สึกขึ้นก็ได้ขอให้ท่านข้าซึงจริงจะชอ็อกมีโปรซีสั่งให้ข่าให้หมดพวกที่ไปทำเมืองกลาง ม, มาสมัครด้วยเนี่ยงโงรโง่เลยตอนนันก็จะว่าคำโบราณกล่าวไว้ว่านายทับนายกองผู้จะตั้งตัวเป็นใหญ่ถึงจะตีเมืองได้เมื่อผู้ายเป็นเชศัตรู ก็จะทำมันตร้ายเอาแต่เฉพาะผู้นั้นซึ่งทังนจะให้มาสั่งฆ่าทหารทั้งปวงชนนี้เราไม่เห็นด้วยควรจะปล่อยให้กลับไปบ้านเมืองเขาจึงจะชอบจะได้ปรากฏกิติศัพท์เราต่อไปนะคนสองคนที่กล่าวโปลซิลสั่งให้ฆ่าจงโวยขอให้ปล่อยี้สุมาเกียฟังแล้วเห็นด้วยกับจงโวย ค่อปลอยฐานน้ำพวงกลับไปหมดสิฐานเมืองการฐานปล่อยกลับไปกินจูทหารเอกก็กลิ่ว่าข้าพเจ้าสมัครอยู่ด้วยกับท่านแววที่จะกลับไปมีการต่างังหวัดนี้สุนิมรู้ก็จะคิดสงสยัยเอาโทษแกข้าพเจ้าสุมาเทียวด้วยความนั้นก็มีความยินดีเพรก็ตั้งกินจูเนี่ยเป็นขุนนางอยู่ในเมืองชิ้ชุมนี่แหละ ถ้ากดจัดแกงสาบ้านเมืองพร้อมเสร็จแล้วก็จ ะ, จกกจะยกทัพกลับเมืองลบเอียงเป็นอันว่าซูมาเกียวอำลาปรากรมจุกัดเอียงถือเป็นเชื้อสายหกหลงของเ็งรู้วิมอยู่น้องกับของเบงแต่ว่านิคได้มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผม สุมาเทียวกับลาบราบรามเบทสำเทล่ะทีนี้ขณะขณะเมื่อสุมาเทียวกับจูกรดเอียนรบติดพันกันอยู่นั้นราวกองฟอดแหนม่วยเสือบริษัทการรับรู้ความต้งสือยกับคนนี้ความไปแจ้งแกเกียร์ุยเกียร์ุยแห่งเศษฉวนระบาดนจูกรดเอียนกกัพไรบกับสุมาเียว ก็ไดุ้่นีอุปราหงกันกตั้งสัง่งนายกองทัพหนีนไปช่วย เ, ยวเป็นันมากเห็นว่าซมาเกียวจะบอกช้ำหนักอยู่แล้วจนพระ น, นันกไทยเฮากับพระเจ้าโจมก็ต้องยกฐานออกมาช่วยรบนี่เป็นข่าวนะนเป็นรายงานรายงานแบบอย่างนี้แต่ที่จริงๆนั้นมันไม่ใช่ดังรายงานหรอกแต่ประการใดอย่างไรก็ตาม เบชวนทันตงก็อยู่ไกลกว่าไกล ย, ยิ่งนะักที่จะได้ข่าวอันแน่นอนได้เหต่สุมาิกียวนำเทเจุโรมอและพระนางกวยไทยเฮาออกไปรบด้วยมาก็เด็กเกรงถ้าล่อว่าในมีหลวงผู้ดได้ใครจะกระทำการชิงอำนาโตรวการใดอย่างไรก็ได้แหละจนเป็นกรบหูกนั่นเชิญทั้งสองพรงะองค์เสด็จทับสเสด็จไปทับด้วยนี ความจี่งเป็นอย่างนี้สังหะไม่ใช่ว่าย่าแย่จรงต้องเด็ออกไปรบดยรบงน่ไม่ใช่หรอกขั้นไฟเกียงวีนเกียงวีฟุกกล่าวว่าฟังความโดยนี้ได้มีความคิดวิธีจ่าองให้ทองแทนว่เหที่เกิดทันนี้จิงเพชประการใดอย่างไรก็มิแจ้งฟังแต่ข่าวจากกอสอบแบนวจรงก็ดีจจว่า ถ้ากระนั้นเห็นเราจะทําการใหญ่สาเร็จในครั้งนี้เป็นมันคงเจงอุยก็ปรึกษากับตากิ้วคุณอาผู้ใหญ่ว่าเราจะทําเรื่องราวาที่กราบทูลพระเจ้าเราเสียงเป็นใจกวางว่าและขออาสาไปตีเมืองวีกถวายท่านเจงประการใดเจงอุยปรึกษาต า, า ก, กิ้ว ป, ป่ากิ้ว ทอดกายเหือกเลยขอให้กายใหญ่แล้วก็ผู้ดอัก บ, บัตรนี้พระเจ้าเราเสี่ยงนั้นก็ไม่ได้ว่าอิกจการบ้านเมืองแต่อย่างไดเชื่อฟังแต่ถ้อยคำของวีโหขันทีชวนกันเส์สุราทุกวันนี้ได้ขาดอันหนึ่งตัวท่านแต่ทำการมาเนี่ยก็เสียทีเป็นหลายครั้ง เราคิดอ่านรถสามเมืองบ้านเมืองไว้ให้มั่นคง